บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปอาณาปานสติกรรมฐานที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นยังมีนัยยะที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลายขั้นตอนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแรกที่ทรงแสดงไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันคือให้บุคคลกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนยาวหรือสั้นก็ให้รู้ไปตามนั้นกำหนดศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือความสงบระงับของกายสังขารและกำหนดรู้ นิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานตัวการสำคัญในการปฏิบัติภาษารีบุตรเถระได้กล่าวไว้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นคนละขณะกันแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้น เรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนบุคคลมีความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกขรงตนตัวการสำคัญที่สุดในกรรมฐานส่วนที่เรียกว่าสมถกรรมฐานก็คือเรื่องของสติและว่าที่จริงตัวสตินั้นก็คืออัปปมาณได้แก่ความไม่ประมาท เพราะฉะนั้นเวลาอธิบายความไม่ประมาทท่านก็อธิบายว่าความไม่ประมาท น, นคือการที่จิตไม่ปราศจากสติได้แก่มีสติอยู่ตลอดเวลาความไม่ประมาทกับสติจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรดากุศลและธรรมทั้งหลายนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่า กุศลละธรรมเราใดเราหนึ่งมีความไม่ประมาทเป็นมูลถึงความรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทจัดเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งหมายความว่าคำสอนที่เป็นกุศลละธรรมทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงไว้โดยปริยายอย่างไรก็ตาม ก็รวมลงในความไม่ประมาททั้งหมดเพราะกุศลละธรรมเหล่านั้นทรงแสดงเพื่อฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจของบุคคลให้มีความสงบประณีตไปโดยลำดับซึ่งทุกขั้นตอนแห่งการฝึกปรือนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยความไม่ประมาทคือการไม่ขาดส ต, ติเป็นหลักในการฝึกปลือ กายวจจาใจข้างตนเมื่อบุคคลผู้ต้องการเจริญกรรมฐานในส่วนที่เป็นอาาปานสติกรรมฐานนั้นก็ต้องรู้ชัดถึงนิมิตถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกการจะเกิดความรู้ชัดขึ้นมานั้นก็ต้องปฏิบัติตามนิยะที่ตรัสเป็นพุทธภาสิตว่า ปฏิมุขังสติงอุปัตเป ต, ตวะคือตั้งสติไว้เฉพาะหน้าน้อยความว่าสติที่ตั้งไวนั้นจะต้องสงบอยู่กับตัวนิมิตอะไรคือนิมิตของอาณาปานาสติกรรมฐานนิมิตของอาณาปานาสติกรรมฐานก็คือจุดที่ลมกระทบหรืออารมณ์ที่บุคคลนับเป็นตน้น ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไปกระทบที่นิมิตคือจุดซึ่งบุคคลกำหนดหมายเอาไว้สติซึ่งทําหน้าที่ระลึกนั้นจะต้องสงบอยู่กับนิมิตเหล่านั้นไม่พากไปจากนิมิต ท, ที่ตนกำหนดระลึกส่วนนิมิต ท, ที่ใช้จะเป็นอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยะหนึ่ง ท่านอธิบายไว้สําหรับบุคคลที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐานซึ่งท่านใช้คําว่าอาธิกรรมิกาคือผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นจะต้องอาศัยหลักที่ผ่านมาตามขั้นตอนโดยเริ่มจากคําบาลีที่ท่านใช้ว่ากนาณาที่แปลว่าการนับการนับสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติในคราวแรกนั้น ไม่จําเป็นจะต้องไปนับอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ท่านบอกว่าให้นับลมหายใจเข้าออกเรียงไปตามลําดับเป็นจํานวนร้อยจํำนวนพันเพื่อฝึกใข้จิตของบุคคลคุ้นเคยกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการนับลมเหล่านั้นเนื่องจากขณะที่บุคคลนับนั้น เป็นการนับส่วนที่เป็นรูปธรรมคือลมหายใจเข้าออกก็จริงแต่เป็นสิ่งที่บุคคลไม่อาจเห็นได้ด้วยตาถ้าหากว่าใครสามารถคุมการนับหายใจเข้าออกของตนไปได้ตลอดโดยไม่เกิดอาการเผลอเรื้ขึ้นมาคือมีสติระลึกอยู่ได้ตลอดไปแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจว่า โน้มน้อมไปเข้าสู่ความสงบแล้วต่อแต่นั้นก็เปรียดมานับในลักษณะที่เคยกราบมาแล้วคือนับเป็นคู่คู่ไปจากหนึ่งหนึ่งถึง5้าห้าเรื่อยไปจนถึงหนึ่งหนึ่งถึง10 1การนับในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าจิตรวมตัวมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณของสติที่ต้องใช้สูงขึ้นทําห้อย่างนั้นแล้วความคลั้งพลาดในการนับก็จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุดานานๆที่บุคคลนับเช่นจะนับหนึ่งหนึ่งถึง66ก็เกิดลังเลที่ห6หหรือเผลอไปเป็นเจดเจหรือเกิดไม่มั่นใจตอนนับห้าห้าเป็นต้นก็แสดงว่าสติยังไม่มั่นคง ยังไม่แนบอยู่กับการนับเราต้องฝึกปลือกันต่อไปแล้ววิธีนี้ก็ออกมาในรูปหายใจเข้าวัฏพุธหายใจออกปัทโทยอย่างที่นิยมปฏิบัติกันอย่างไรก็ตามการปฏิบัติในชั้นนี้จะให้จิตสงบแ น, แน่ๆเป็นสมาธินั้นเป็นปายทยะเพราะอะไรเพราะว่าจิตยังคงวิ่งอยู่กับการนับ ต่เป็นการวิ่งในวงแคบโอกาสที่จะเข้าสู่ความสงบก็มีง่ายขึ้นในชั้นต่อไปจึงให้ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดที่ท่านเรียกว่าอนุบันธนาคือตามลมหมายความว่าตั้งสติระลึกตามลมหายใจเข้าออกไปโดยให้สติแนบ อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นไม่เกิดความเผลอเรอความหลงลืมหรือความพลั้งพลาดไปแต่ประการใด จ, จะต้องเป็นการตามได้ตลอดสายข้อนี้ทำนองเดียวกับบุคคลเขียนหนังสือหรือว่าขีดเส้นบรรทัดปากกาดินสอรหรือช็อคที่นำมาขีดนั้นจะต้องสัมผัสกับพื้นกระดาษหรือกระดานที่ขีดอยู่ตลอดไป ถ้าหากว่าเกิดไม่สัมผัสกระดานในช่วงใดช่วงหนึ่งทรงนั้นก็ไม่มีรอยขีดปรากฏเส้นเหล่านั้นก็ไม่ปฏิติประต่อกันการปฏิบัติทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเมื่อติดตามที่เรียกว่าตามลมไปได้โดยในยะนี้แล้วท่านก็สอนให้ตั้งจุดที่ลมกระทบเอาไว้ ซึ่งเรียกว่าธัปนาจุดที่ลมกระทบนั้นพระสารีบุตรเทระได้แสดงเอาไว้ในปฏิสัมพิทามั ก, กว่าเป็นใจความว่าบุคคลไม่ควรคิดสายไปในเรื่องอื่นแต่ให้มีสติระลึกอยู่เฉพาะจุดที่ลมกระทบเท่านั้นส่วนลมจะกระทบในจุดใดก็เป็นลักษณะใบหน้าของบุคคลซึ่ง บางคราวก็ริมฝีปากบางคราวก็ปลายจมูกบางคราวก็ในกระพุ้งจมูกแต่จะกระทบในส่วนใดก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ในส่วนนั้นและเมื่อระลึกอยู่โดยในยานีลมหายใจของบุคคลก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในชั้นแรกนั้นเป็นลมหายใจที่บุคคลกำหนดระลึกได้เพราะว่าถูกต้อง จุดที่กำหนดเอาไว้แรงพอจะรู้ได้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติส ง, งบประนีตไปลมหายใจจะเริ่มอ่อนเข้าโดยลำดับข้อนี้ท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับบุคคลตีระครังแต่ว่าตัวบาลีเองท่านบอกว่ากางสสดานก็ตีเสวาระครังอะไรกันเสียงระครังที่บุคคลกำหนดนั้น บุคคลจะกาหนดได้ตั้งแต่เสียงที่หยาบที่สุดและเสียงโหยหวนของระคังที่ติดตามมาก็จะกาหนดได้การกาหนดได้ในสองช่วงนี้จะพบว่าช่วงแรกนั้นเสียงอย่างหยาบจุแต่ว่าช่วงที่สองเป็นเสียงที่แผ่วเบาลงโดยลำดับแต่ก็ยังคงเป็นเสียงอยู่นั่นเองและต่อจากนั้น เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากใจคือจากใจที่กำหนดขึ้นมาเป็นรูปของเสียงระฆังคล้ายๆกับเป็นจินตนาการคือนึกคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลสถานที่ที่เราเคยไปประสบ พ, พบเห็นมาภาพเหล่านั้นได้เก็บไว้ที่ใจก็กำหนดนึกขึ้นมาเห็นภาพในลักษณะต่างๆการปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้น ในช่วงแรกอารมณ์ที่กำหนดจะหยากและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปท่านใช้คำว่าพยายามให้เกิดความสงบของกายสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่ข้อนี้พึงสังเกตว่าถ้าลมหายใจเข้าออกละเอียดแม้แต่พวกขันอย่างอื่นคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน และวิญญาณกันก็พลอยสงบตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจได้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเวทนาต่างๆซึ่งตามปกติบุคคลจะรับได้เร็วแต่เนื่องจากใจไปแนบแน่นดูกับอารมณ์ที่กำลังฝึกปลืออยู่ความใส่ใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อ่อนลงพวกนี้เลยสงบตามไปด้วย แต่เมื่อมาถึงชั้นหนึ่งเป็นอาการของลมที่แผ่วเบาจนลคล้ายๆจะเลือนหายไปทำนองเสียงกังสะดาหรือเสียงระฆังที่เลือนหายไปดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าใจของบุคคลในขณะนั้นก็ยังคงมีลมหายใจเข้าออกที่เกิดจากใจของตัวเองใจในขณะนั้นจึงเข้าถึงความสงบ ที่ท่านเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคือมีความแน่วแน่ของจิตใจบางเกิดขึ้นในช่วงทั้งสองนี้จึงกลายเป็นสมาธิสามลำดับช่วงแรกก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิคือมีความสงบเกิดได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วเมื่อช่วงที่ลมเริ่มละเอียดข้าละเอียดข้า ถ้าหากว่าไม่เกิดความหลงลืมความเผื่อเรือขึ้นมาตัวสมาธิก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเชี่ดใกล้ความสงบเข้าไปและเมื่อถึงจุดดังที่กล่าวแล้วคือเป็นลมที่เกิดด้วยใจใจเป็นตัวรู้ลมหายใจเหล่านั้นความสงบก็จะมีปริมาณสูงขึ้น ที่ท่านเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิและในตัวสมาธินี้เองก็กลายมาเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่านิมิตนิมิตนั้นมีอยู่สามชั้นเช่นเดียวกันชั้นแรกก็คือบริกรรมนิมิตก็หมายถึงอาการที่จิตของบุคคลระลึกอยู่ในจุดที่เรียกว่าลมกระทบ หรือตัวนิมิตของกรรมฐานนั้นถ้าสาบใดที่ยังระลึกอยู่ยังไม่ส ง, งบอย่างแท้จริงในช่วงนั้นก็ชื่อว่าเป็นบริกรรมนิมิตอยู่นั่นเองแต่เมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดข้าวโดยลําดับดังที่กล่าวแล้วจนถึงกับลมหายใจแผ่วเบาลงไปแต่บุคคลยังมีความรู้สึกว่าเป็นลมหายใจเข้าออกอยู่นั้น ท่านเรียกว่าเป็นอุกกห์นิมิตจนลมละเอียดที่สุดจิตสงบแ น, แน่ทรงกับอับปปนาสมาธินั่นเองก็กลายเป็นปฏิภาคนิมิตการปฏิบัติในลักษณะนี้เมื่อจะเปรียบในเชิงรูปธรรมบุคคลก็จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาว่าการปฏิบัติอนาปานาสติกรมาฐานนั้นก็คล้ายๆกับว่าสติเหมือนกระตา อารมณ์เหมือนกับภาพนิมิตหรือดวงกสินต่างๆสติเพ่งดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของภาพกศสินเหล่านั้นไม่ซัดสายสายตาไปในเรื่องอื่นเพ่งดูอยู่อย่างนั้นจนสามารถคุมใจให้สงบอยู่กับจุดที่จนเพ่งดูเพียงอย่างเดียวภาพเหล่านี้ ในที่สุดก็จะหลับตาเห็นได้เหมือนกับที่ลืมตาเห็นนี่พูดถึงในเชิงที่เป็นรูปธรรมการปฏิบัติที่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งแม่ลมจะส ง, งบอย่างไรก็ตามแต่บุคคลยังมีความรู้สึกว่าเกิดลมอยู่ภายในใจนั่นเองใจก็คงส ง, งบ อยู่กับลมหายใจเรานันการปฏิบัติในวิธีนี้พูดถึงโดยปริยัติก็เป็นไปได้เร็วแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นกว่าจะผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เริ่มต้นมาที่กล่าวมาโดยลำดับนั้น จะเป็นตัวสร้างปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเช่นพอเกิดความสงบจิตรวมอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกชั้นทะคือความพอใจในความสงบก็จะบังเกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะต้องมีเชื้อความยินดีในความสงบมากพอสมควรแต่เมื่อสงบอยู่ในจุดที่ไม่ว้าวุ่นเช่นนี้ ชันทะก็จะบังเกิดขึ้นพอชันทะเกิดอุสาหะความพยายามที่จะทำความสงบให้สูงขึ้นก็จะติดตามมาจนเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นเพราะอาศัยความสงบเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ในชั้นของการปฏิบัติตัวเริ่มต้นนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องลมหายใจเข้าออกเหมือนกัน ท่านบอกว่ายาให้เร่งลมหายใจเข้าออกก็ถ้าเกิดไปเร่งลมนอกจากจะเหนื่อยแล้ว <c oughs> อาการรนจะบังเกิดขึ้นรัวจะนับไม่ทันเป็นต้นในที่สุดก็ว้าวุ้นความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ในทำนองตรงกันข้ามคือจะทิ้งช่วงลมหายใจให้ยาวเกินไปเพราะถ้าทิ้งช่วงยาว เช่นหายใจยาวมากเกินไปแทนที่สติจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแกจะมีขณะหนึ่งชั่ววูบหนึ่งวิ่งออกไปรับอารมณ์เราอื่นความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้โดยทํานองเดียวกันดังนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องกลางๆตลอดเวลาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาลมหายใจเข้าออกเองก็ต้องไม่เร็วเกินไป จะต้องไม่สั้นเกินไปและไม่ยาวเกินไปเพราะเกินทั้งสองฝ่ายนั้นทำให้จิตตกไปสู่อารมณ์ของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าลมหายใจเป็นไปตามปกติธรรมดาถ้าจะนับก็นับกันได้ทันดีถ้าจะตามก็ตามกันได้ถ้าจะพูดทรก็พูดทูกันได้หรือแม้แต่จะกําหนดระลึกก็กาหนดระลึกได้อย่างนี้ ผลดังกล่าวก็จะบางเกิดขึ้นการกำหนดระลึกในจุดที่ท่านเรียกว่าทะปนาคือตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นเป็นจุดสำคัญที่จะให้เกิดผลดังที่ได้กล่าวาแล้วข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนบุคคลที่เลื่อยไม้หรือว่าช่างกลึงคนที่เลื่อยไม้จะใหญ่ยังไงก็ตาม จุดที่จะต้องสนใจและแน่วแน่อยู่ก็คือคมเลื่อยกระทบกับเส้นบรรทัดไม่ต้องไปใส่ใจในปลายเลื่อยเพราะถ้าใส่ใจให้วาบวุ่นไปหมดแทนที่จะเลื่อยได้กลับเลื่อยไม่ได้ไปเลยถ้าหากว่าดูเฉพาะจุดที่คมเลื่อยกระทบกับไม้บรรทัดอยู่เรื่อยๆไปแล้วมือก็ดึงเลื่อยไปโดยลำดับ การเลื่อยไม้การตัดไม้ของบุคคลนั้นก็จะสำเร็จการฝึกจิตของบุคคลในชั้นของอนาปานสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลดำเนินไปโดยลําดับแล้วผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุคือในชั้นของกณิกะสมาธิความสงบก็เกิดขึ้นได้ชั่วงขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งว่าที่จริงแล้วอาการที่จิตสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานส่วนใดก็ตามเป็นการปฏิบัติที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งความสงบนั้นมีปัญญาเข้าปรากฏด้วยแล้วเป็นตัวเชือ้อเป็นบารมีธรรมที่จะนำให้บุคคลเกิดความสงบและความรู้ สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อนี้ท่านได้เล่าถึงพระจุลปันธกะเถระเป็นพระที่บวชมาใช้เวลาถึงสี่เดือนท่องคาถาสี่บรรทัดจำไม่ได้เรียกว่าได้หน้าลืมหลังจนพระมหาปันธกะผู้เป็นพี่ชายแนะนำให้สึกไปเพราะอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ท่านเองไม่ปราถนาที่จะสึกแต่ก็น้อยใจออกไปจากวัดพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยก็เสด็จมารออยู่ที่ประตูวัดได้รับสั่งถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าพี่ชายไล่ให้สึกท่องคาถาสีบรรทัดสีเดือนนล่ยังไม่ได้พระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอบวชในสำนักของพี่ชายหรือบวชในสำนักของเรา ท่านบอกว่าบวชในสำนักของพระองค์พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าก็เรายังไม่ให้ศึกนี่จะต้องศึกทำไมนี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าพระพุ้มีปพระภาคเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาและอุบาสวิณีที่จะปลุกปลอบจิตใจของคนซึ่งกำลังเศร้าโศกว้าวุ่นอย่างนั้นให้เกิดปีติปราโมทย์เกิดความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้น และต่อแต่นั้นก็นําไปที่พระคันตกุฎีทรงทรงดอกบัวทรงทรงผ้าขาวบริสุทธิ์ให้ผืนหนึ่งให้ท่านบริกรรมท่านนั่งบริกรรมผ้าขาวอยู่อย่างนั้นจนเหงื่อออกมาก็ไปเปื้อนผ้าในที่สุดผ้าขาวสะอาดก็กลายเป็นผ้าที่โสกกระป๋ไปเพราะเปื้อนตุลีกาย ท่านลืมตาขึ้นมาเห็นผ้าเปื้อนไปเช่นนั้นอาศัยบารมีธรรมในอดีตซึ่งว่าที่จริงก็มีเพียงเล็กน้อยแต่เป็นการเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งด้วยผลของสติและผลของปัญญาคือในอดี ต, ตการนานไกลท่านเคยเป็นพระราชาสเสด็จเรียบพระนครแล้วได้นำผ้าขาวมาซับประพักเวลาพระเศโทไหล เห็นผ้าขาวเหล่านั้นเปื้อนก็เกิดความสลดจิตว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลนานาประการพอสัมผัสกับผ้าซึ่งขาวสะอาดก็กลายเป็นสิ่งที่แปลเปื้อนไปได้เกิดเห็นเป็นวิปัสนาปัญญาขึ้นมาโดยการอาศัยกายคือกายยักตาสติเป็นหลักความคิดเหล่านี้เป็นการเกิดขึ้นชั่ววูบหนึ่งแต่มีความลึกซึ้ง ก็กลายเป็นบา ร, รมีธรรมที่สนับสนุนท่านให้สามารถดึงบา ร, รมีในอดีตเหล่านั้นเข้ามาพินิจพิจารณาภ้าขาวซึ่งเป็นเช่นเดียวกับบา ร, รมีที่ท่านสั่งสมไปต่อแต่นั้นก็เจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตชั่วระยะเวลาเช้าถึงเพลนเท่านั้นเองนี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าทุกครั้งที่กุศลในจิต ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งบังเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เลือนหายไปไหนนอกจากจะทาหน้าที่กาจัดอกุศลซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามออกไปได้แล้วตัวของกุสนธรรมเหล่านั้นเองยังกลายเป็นบารมีธรรมที่จะสนับสนุนให้เกิดผลเป็นความสงบเป็นความรู้ยิ่งเห็นจริ ง, นรงในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงออกไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องการทำความสงบใจตลอดถึงการเจริญกุศลในชั้นต่างๆพระพุทมีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งเน้นไว้โดยประยายเป็นอันมากที่จะให้บุคคลปลูกฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพยากสร้างสมบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน ส่วนจะมากหรือจะน้อยนั้นไม่เป็นประมาณเพราะสิ่งที่มากมายกายกองทั้งหลายนั้นเริ่มต้นก็เป็นจุดเล็กๆ ก, การสั่งสมบุญกุศลสั่งสมความสงบสั่งสมความรู้ขึ้นภายในจิตใจจึงเปรียบเสมือนการก่อตัวของจอมปลวกซึ่งเริ่มมาจากดินเพียงเล็กๆน้อยๆท่า น, น, นั้นเองแต่ด้วยด้วยความเพียรพยายาม ด้วยความตั้งใจจริงของจอมปลวกก็ได้สร้างจอมปลวกอันใหญ่โตขึ้นไว้ได้และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็กลายเป็นจอมปลวกที่แข็งแรงป้องกันอันตรายจากภายนอกได้เป็นอย่างดีแม้สัตว์ตัวใหญ่ๆก็ไม่อาจที่จะทาอันตรายจอมปลวกเหล่านั้นได้เั่นใดจิตใจของบุคคลที่ได้เริ่มสั่งสมบุญสั่งสมกุศลสั่งสมความส ง, งบสั่งสมความรู้ขึ้นไว้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน กุศลเหล่านั้นจะเป็นเกราะคุ้มครองใจป้องกันผองภัยอันตรายป้องกันอารมณ์อันเป็นอกุศลทั้งหลายไม่ให้บังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจสร้างความเดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนพระสติที่บุคคลได้ฝึกปลือมาเป็นอย่างดีนั้นจะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสแห่งอกุศลเหล่านั้นไว้ ไม่ให้เข้าไปสู่จิตใจเป็นการรักษาคุณภาพของจิตให้มีความสงบมีความสะอาด จ, จ่และด้วยความเพียรพยายามที่เพิ่มปริมาณของสติให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองความสงบความประนีตก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป